เชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999ศู19สนย์นวัตรกรรมความรู้ RMUtt Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 จอทีวีขนาดใหญ่และไวไฟความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทรศูนย์เก้าสองสามหนึ่งแปดเก้าแปดแปดเจ็ดหรือที่แฟนเพจ RMU TT Innovation and Knowledge Center ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังชั้นสถานพยาบาลการแพทย์แผานไทยประยุกต์ศูนย์รังสิต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 ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Food Delivery ผู้เดิมินรายการนัธรัฐแพรกุลและนัธพลดีปุดคุ้บคุมการผลิตโดยผู้ช่วยสัตวราจารย์ด็อคเตอร์กุลกนิดทองเงาสร้างสารและผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชโมงคลทันยะโ บ, บรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟูดเดลี่นะครับกลับมาพบกับผมนะครับ รัตพลดีอุดและอาจารย์นัทรัตน์เพกุล น, นะครับอาจารย์จากสาขาวาฬและผู้ชนะการคณะเทคโนโลยีข้าวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับกับเรื่องราวข่าวสารในวงการอาหารผู้ชนะการกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆในการทำอาหารเมนูต่างๆที่เราจะนำมาฝากคุณฟังในรายการฟู้ดเดลิเวอรี่แห่งนี้นะครับโดยกลับมาพบกับเราทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิรต์นะครับ โดยมีผู้ช่วยศาส ต, วตราจารย์ดกรกุลกนิททองเงาเป็นผู้ควบคุมการผลิตรายการนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะเช่นเดิมอย่างทุกสัปดาห์ฟู้เดลเวอร์รี่ของเราวมวีเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเนื้อหาสาระต่างๆนะครับครบทั้งสี่ช่วงในรายการนะครับแต่ก่อนจะไปทั้งสี่ช่วงของรายการนะครับวันนี้ในตอนต้นของรายการผมมีประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวที่หลายคนยังไม่เคยรู้นะครับต้องบอกว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับเป็น สายการรักสุขภาพนะครับอาจจะเคยรับประทานกระเจี๊ยบเขียวแต่หลายท่านอาจไม่รู้นะครับว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับถ้าจะบอกว่าชาวญี่ปุ่นทานกระเจี๊ยบเขียวมากนะครับทุกคนจะเชื่อหรือเปล่านะครับว่าทานสดๆนำไปประกอบอาหารต่างๆสารพัดเมนูอีกมากมายเลยนะครับขนาดไปเวียดนามนะครับที่เวียดนามก็ยังจะเสิร์ฟกระเจี๊ยบเขียวให้มาย่างทานกันสดๆนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่ากระเจี๊ยบเขียวนี้ไม่ได้มีดีแค่รสชาตินะครับ แต่เป็นเพราะสปปรรพคุณเจ๋งๆของกระเจี๊ยบเขียวนี่แหละครับที่ทำให้ใครหลายคนนะคะหันมารับประทานกันอย่างมากมายนะครับด้วยประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวนะครับคุณฟังข้อแรกเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะครับเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและคนที่กำลังควบคุมน้ำตาลหรือการลดน้ำหนักนะครับอย่างที่สองลดอาการท้องผูกนะครับเพราะมีเมือกที่ช่วยลด ที่ทำให้อุจจาระเนี่ยอ่อนตัวขึ้นและยังมีใยอาหารที่ดีต่อการขับถ่ายข้อที่สามลดคอเลสเตอรอลในร่างกายข้อที่สี่ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพราะอาหารเยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้อักเสบได้นะครับข้อที่ห้าใครที่เป็นโรค ก, กระเพาะอาหารอยู่แล้วนะฮะทานกระเจี๊ยบเขียวพร้อมเมือกเหนีนนยวๆใสๆเข้าไปก็จะช่วยให้เคลือบกระเพาะเคลือบแผ่ในกระเพาะได้ดีอีกด้วยนะครับอย่างที่หก ฝักของกระเจี๊ยบเขียวต้มเกลืออ่อนๆสามารถแก้อาการกรดไหลย้อนได้นะครับอย่างที่เจ็ดกระเจี๊ยบเขียวเองมีโฟเรสสูงนะครับช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงและเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาการของลูกน้อยในคันดังนั้นคุณแม่นะฮะก็ควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวเพราะว่ากระเจี๊ยบเขียวนี้เหมาะกับหญิงที่ตั้งขันนะครับโดยวิธีการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวครับคุณผู้ฟังสามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทานสดๆได้เลยหรือจะนำไปประกอบอาหารกับเมนูอื่นๆ อย่างเช่นนำไปย่างในไฟอ่อนๆหรือจะทานผสมกับน้ำพึ่งมะนาวหรือไอศครีมก็ได้นะครับขอพูดข้อมูลของกระเจี๊ยบเขียวนี้ด้วยนะครับจากเฟซบุ๊กความรู้สนุกๆแบบหมอแมวนะครับใครสนใจนะฮะก็ลองเข้าไปดูได้ในเพจนี้มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเข้าไปดูได้นะครับกับเฟซบุ๊กความรู้สนุกๆแบบหมอแมวนะครับ คุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักคู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันกับช่วงแรกของรายการนะครับกับเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวนะครับวันนี้เรื่องเล่าก่อนเข้าครัวครับคุณผู้ฟังผมมีเรื่องราวของการลดน้ำหนักแบบคีโตจีนิกไดเอทนะครับเป็นสูตรการลดน้ำหนักที่ลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตแต่ว่ารับประทานไขมันเป็นหลักเลยนะฮะจะมีวิธีการลดยังไงติดตามได้ในช่วงหน้ากับช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวครับ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 Sound pentah, tongue, I been done fun. Gone teacher, I am took young. Young tea fun teacher, tum, tear. Now the leg goes out. Come on, my lure. I lay, relax a 敵王ら たんたむかまい đ u ô いつんわ いいじわい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 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th ศูนย์ปฏกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโรยีราชมงคลทัญญาบุรีเปิดส่วนใหม่พร้อมให้ปริการกับทุกท่านแล้วทีนี้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 ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบ่างซื้อจังชั้นสถานสุขภาพความงามบวดสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลายการแพทแพ้นไทยราชมงคลทัญญาบรีให้บริการทรงเสริมตูแลสุขภาพความงามด้วยปัจจับพันจากธรรมชาติทรีตเมนต้นทุกส่วนของร่างกาย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 สอบถามเพิ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสามปุ๊ดเจลิเบอรี่ช่วงเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวคุณฟังครับกลับมากับช่วงนี้กับเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวครับวันนี้เรื่องเล่าก่อนเข้าครัวมีเรื่องราวของการลดน้ำหนักแบบคีโตจินิกไดเอทนะครับซึ่งเป็นสูตรการลดน้ำหนัก ที่มีการลดอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดทนะครับเพื่อบังคับให้ร่างกายของเราเนี่ยนำไขมันออกมาใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักแทนที่จะเป็นกูโคสซึ่งกระบวนการนี้นะครับจะผลิตกรดที่เรียกว่าคีโตนเมื่อระดับคีโตนสูงเพียงพอแล้วผู้บริโภคก็จะอยู่ในสภาวะคีโตจินิกนะครับนั่นก็คือ ก็จะอยู่ในสภาวะฮีโตซิตนะครับฮีโตดายเอ็ดยังอาจถูกปรับใช้กับการลักษาทางการแพทย์ด้วยเช่นโลกลมชักหรือการเจ็บป่วยระหว่างระบบประสาตินะครับด้วยผู้บริโภคฮีโตดายเอ็ดบางท่านอาจ ใช้ keto genetic diet ในการลดน้ำหนักด้วยนะครับโดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ได้มีการใช้ keto genetic diet เพื่อการรักษาอาการป่วยบางอย่างตั้งแต่ช่วงปี1920แต่ในปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาใช้ keto diet เนี่ยเพื่อการลดน้ำหนักหรือการกินแบบ keto diet นี้ได้กลายเป็นกระแสของการทานไขายมันเพื่อลดน้ำหนักนะครับแต่เมื่อผู้บริโภคมากมายเริ่มประสบความสำเร็จกับหลักสูตร คีโตไดเอทนี้นะครับกระแสการกินนี้ก็ติดตลาดในที่สุดแล้วคีโตไดเอททำงานยังไงครับคุณผู้ฟังผู้บริโภคนะฮะโดยใช้สูตรคีโตจีนิกไดเอทส่วนใหญ่บริโภคแคลอรี่เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าจากไขมันห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์จากคาร์โบไฮเดรตนะครับและที่เหลือคือแคลอรี่จากโปรตีนพูดง่ายๆนะฮะคุณผู้ฟังนั่นก็คือผูอ้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยที่ทานคีโตไดเอทเนี่ยจะรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งที่มาจากไขมันมากๆอย่างเช่นชีส ถั่วน้ำมันหรือน้ำมันที่มีไขมันและเนื้อสัตว์นะครับเมื่อคุณจำกัดปริมาณการบริโภคคาร์โบไฮเดตร่างกายของคุณก็จะขายแหล่งพลังงานนั่นก็คือกูโคสนะฮะ ร, ร่างกายจะเอาโปรตีนจากแหล่งพลังงานนี้มาใช้แต่ถ้าคุณไปลดปริมาณโปรตีนด้วยแล้วร่างกายคุณก็จะถูกบังคับให้หันมาใช้ไขมันสะสมเพื่อเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายเมื่อคุณใช้ไขมันเป็นเชื้อเพลิงให้กับร่างกายนะครับร่างกายก็จะสร้างคีโตเมื่อร่างกาย เริ่มใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักนะครับและคุณเริ่มสร้างคีโตได้แล้วนะครับคุณก็จะอยู่ในสภาวะคีโตซิธซึ่งผู้บริโภคสามารถทดสอบระบบระบบคีโตซิธโดยการ ใช้แถบตรวจปัดสสาวะนะครับแถบตรวจเลือดหรือเครื่องตรวจจับลมหายใจแต่คีโตนไม่สามารถผลิตได้ทันทีเมื่อคุณเริ่มทานอาหารและคุณต้องเข้มงวดกับแผนการกินของคุณพอสมควรนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่สภาวะคีโตซิสนะฮะด้วยคุณส่วนใหญ่ใช้เวลาห้าถึงสิบนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรถ้าพวกเขาไม่เข้มงวดกับการรับประทานอาหารนะครับด้วยดรกอร์ดอนเป็นนักการแพทย์แบบองค์ รวมที่ปฏิบัติงานอยู่ในเมืองแอสแลนด์นะครับเขาบอกว่าเริ่มแรกเขาได้แนะนำการกินอาหารแบบคีโตเจนิกให้กับผู้ป่วยหลายคนนะครับเพราะเหตุผลทางการแพทย์และคนไข้ารายนั้นประสบความสำเร็จในการใช้เธอเกล่าวนะครับว่าถ้านำมาใช้ในการลดน้ำหนักผลที่ได้อาจ หลากหลายแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วจริงๆแล้วนะครับคทุณผู้ฟัง keto genetic diet นี้จะช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรื อ, หรอไม่นะครับโดยมีการโต้เถียงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการใช้ keto genetic diet ในการลดน้ำหนักนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจกล่าวว่าการรับประทานอาหารที่มีไขายมันอิ่มตัวมากเกินไปนั้นสามารถช่วยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้แต่บางคนอาจพูดว่าการลดปริมาณคาร์โบไฮเดทโดยเฉพาะในรูปแบบที่เป็นพลังงานว่างเปล่าหรือ อ, อ, อาหารที่เป็นพลังงานสูงแต่ ะจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพได้นะครับแต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่จะเห็นว่าการกินเคโตจีนิกจะมีประสิทธิภาพในระยะยาวนะครับโดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะพบว่าน้ำหนักของพวกเขาลดลงในระยะเวลาอันสั้นเมื่อพวกเขากินอาหารแบบเคโตจีนิกไดเอทเขาบอกนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคแบบเคโตจีนิกจะผอมลงในช่วงแรกเนื่องจากพวกเขาสูญเสียน้ำ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้กล่าวนะครับคาร์โบไฮเดททุกๆ ก, กรัมที่คุณกินเข้าไปทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยเก็บน้ำได้ถึงสามกรัมและเมื่อคุณจำกัดคาร์โบไฮเดทไปจนหมดร่างกายก็จะกำจัดน้ำออกไปด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นเขายังบอกอีกนะครับว่าการจำกัดปริมาณการบริโภคคาร์โบไฮเดทก็แปลว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภค กินอาหารน้อยกว่าปกติผลนั่นก็คือคนที่กินแบบเคโตจินิกจะได้แคลอรี่น้อยลงนั่นเองนะครับสรุปแล้วงานวิจัยบอกอะไรกับเราครับคุณผู้ฟังนักวิทยาศาสตร์พบนะครับว่าอาหารแบบเคโตจินิกนี้มักจะทำให้น้ำหนักในลดน้ำหนักได้ในระยะสั้นนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าทำไมเกิดการสูญเสียไขยมันขึ้นได้นักวิจัยบางท่านอาจคิดว่าไขามันสูงช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกพอใจและลดความอยากอาหารได้แต่บางคนมีนกลไก ทางสมองที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานแต่นักวิจัยส่วนใหญ่ครับคุณผู้ฟังเห็นตรงกันนะครับว่าการกินอาหารแบบคีโต จ, จีนิกอาจเป็นประโยชน์อยู่บ้างแต่ก็ไม่การันตีได้นะครับว่าจะช่วยในการลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งคีโตจีนิกนี้ไม่ได้มีเพียงประโยชน์นะครับคุณผู้ฟังผลข้างเคียงของการกินแบบ คีโตจีนิกก็มีมากมายนะครับโดยผู้บริโภคหลายคนพยายามอย่างยิ่งในการกินอาหารแบบคีโตจีนิกไดเอทเป็นเวลามากกว่าหกเดือนถึงหนึ่งปีเลยทีเดียวนะครับนี่อาจเป็นอีกเหตุหผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ผลของการลดน้ำหนักในระยะยาวไม่สามารถสรุปได้โดยผลข้างเคียงที่เกิดจากคีโตจีนิกไดเอทนี้ก็ยังทำให้ยากต่อการพยายามรักษาการกินแบบนี้ต่อไปนะครับมีไม่กี่คนที่สามารถ ทนการกินอาหารแบบนี้ได้เป็นเวลานานๆ น, นะครับถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าพวกเขารู้สึกมีพลังงานมากขึ้นแต่คุณรู้สึกเหนื่อยกับสูตรการกินอาหารแบบนี้เหมือนกันโดวยเขาอธิบายนะครับว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักของสมองถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเราจะรู้สึกหึงความสลืมสลือชุนเฉียวง่ายและอาจจะรู้สึกไม่ดีมีการโต้เถียงว่าการกินคาร์โบไฮเดรตต่ำได้ผลดีกับผู้หญิงจริงหรือไม่และคนไข้ที่เจอส่วนใหญ่ก็อาจจะลดน้ำหนัก ด้วยเขาบอกนะครับว่าการยึดติดอยู่กับแผนการกินอาหารนั้นเป็นปัญหาหลังจากระยะการปรับตัวเธอบอกว่าหนึ่งในสามของคนไข้ของเธอลดน้ำหนักคนไข่อื่นๆไม่เห็นว่าน้ำหนักของเขารดลงไปหรือไม่แต่ก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าการกินอาหารแบบนี้จะช่วยลดได้จริงหรือไม่เพราะภาวะแทรกซ้อนอื่นๆผู้บริโภคสามารถประสบความาประสบปัญหาเนื่องจากการขาดไฟเบอร์ในร่างกายซึ่งช่วงที่กินอาหารแบบไคลโตจินิกนะครับเมื่อผู้บริโภค แทบจะไม่กินธัญพืชเลยครับผู้นู้ฟังทานผักผลไม้เพียงเล็กน้อยพวกเขาก็จะไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นหลายอย่างอย่างเช่นไฟเบอร์ซึ่งร่างกายของเราจำเป็นต้องใช้ในการทำงานนะครับโดยผลข้างเคียงอื่นๆก็มีมากมายหลายอย่างเหมือนกันนะครับอาจจะรวมถึงไข้หวัดคีโตนั่นก็คือความรู้สึกสรืมสรือแบบทั่วไปอาการปวดหัวอ่อนเพลิ่วรู้สึกไม่ค่อยดีมีกลิ่นปากอาการท้องผูกนอนไม่หลับความผิดปกติของฮอร์โมอนที่อาจเกิดขึ้นนะครับโดยผู้ช่วยชานยอมรับนะครับว่าผลข้างเคียงของอาหารแบบคีโตจินิกอาจจะ พบบ่อยในช่วงแรกๆที่เริ่มโปรแกรมการกินนี้นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าเธออาจแนะนำคีโตซีดแบบต่อเนื่องเพื่อการจัดอาหารเพื่อการจัดการกับอาการเหล่านั้นนะฮะโดยในโปรแกรมนั้นนะครับผู้บริโภคต้องฝึกการอดอาหารอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งเป็นเวลายี่สิบสี่หรือสิบหกชั่วโมงนะครับโดยทำบ่อยขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายภาวะอันตรายที่สุดที่เรียกว่าพัต ว่าคีโตซีส์อาจเกิดขึ้นได้ถ้าระดับคีโตเพิ่มสูงมากเกินไปและเลือดกลายเป็นกรดนะครับซึ่งสภาพนี้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเกิดโลกปรคเบาหวานประเภทที่สองและอาจส่งผลให้เกิดเบาหวานขั้นรุนแรงได้นะครับด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ทดสอบระดับคีโตเป็นประจำนะครับแล้วการกินคาร์โบไฮเดรต ในอาหารแบบคีโตจีนิกเนี่ยสามารถรับประทานได้มากเท่าไหร่นะครับถ้าคุณกำลังพยายามลดน้ำหนักนะครับคุณลูกฟาร์มการกินคีโตจีนิกอาจทำให้ไดรับคำแนะนำในการกินคาร์โบไฮเดทในจำนวนที่ขัดแย้งกันแหล่งอ้างอิงบางที่บอกว่าคุณควรได้รับคาร์โบไฮเดทไม่เกินยี่สิบกรัมต่อวันเพื่อให้เกิดคีโตซีสนะครับบางแหล่งแนะนำให้คุณกินคาร์โบไฮเดทปริมาณถึงยี่สิบกรัมต่อวันขณะที่บางแหล่งให้กินไม่เกินห้าสิบกรัมต่อวันและหลายแหล่งก็แนะนำให้ได้รับแคลอรี จากปริมาณคาร์โบไฮเดทไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะครับโดวยเรารู้สึกสับสนใช่ไหมครับคุณผู้ฟังดรกอร์ดอนอธิบายว่าปริมาณการกินคาร์โบไฮเดทในอาหารคีโตที่ถูกต้องของแต่ละบุคคล น, นั้นจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันนะครับโดวยเธอเล่าถึงความตัวอย่างคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังที่ใช้การกินแบบคีโตจีนิกเพื่อลดน้ำหนักเธออยู่ในสภาวะคีโตซิสได้ด้วยการกินบลูเบอร์รี่ไม่เกินหนึ่งถึงหนึ่งส่วนสี่ถ้วยต่อวันนะครับส่วนข้อจำกัดของผู้ชายคือการ ทานบูลรี่แค่หนึ่งลูกแล้วด็อกเตอร์กอร์ดก็แนะนำคนไข้ของเธอนะครับว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันเธอจึงกล่าวว่าฉะนั้นจึงแนะนำให้พวกเขาเนี่ยได้ทดสอบการกินคาร์โบไฮเดรตปริมาณสุดทธิ20ถึง30ก ร, รมัมซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยได้รับการกินอย่างเหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วอาหารแบบเคตโตจีนิกมีแคลอรี่มากเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วยทีมวิจัยไม่ได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าผู้บริโภค น้ำหนักลดด้วยการกินแบบคีโตจีนิกได้อย่างไรมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนนะครับว่าคุณควรจะนับแคลอรี่ในแผนอาหารการกินของคุณดีหรือไม่การค้นข้อมูลออนไลน์อย่างรวดเร็วจะปรากฏให้เห็นนะครับว่าสาวกคีโตบางท่านบอกว่าคุณต้องนับแคลอรี่และคาร์โบไฮเดทเพื่อให้น้ำหนักลดและบางคนก็บอกว่าคุณจะกินมากเท่าไหร่ก็ได้แต่พี่คุณยังคงรักษาปริมาณคาร์โบไฮเดทได้ถูกต้องนะครับแล้วผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าถ้าอาหารหลัก เป็นสิ่งสำคัญในการรับประทานอาหารแบบนี้เพราะคุณต้องลดคาร์โบไฮเดทเพื่อให้ร่างกายของคุณ เ, เข้าสู่สภาวะคีโตซิสโดยคุณจิมไว้กล่าวนะครับว่าแต่มันก็เหมือนกับการกับเกมคาร์ดีอยู่เหมือนกันนะครับมันมีความไม่ชัดเจนอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าการใช้คาร์คีโตของร่างกายเนี่ยการลดลงของน้ำหนักของน้ำหรือการลดลงของแคลอรี่กันแน่ที่ทำให้น้ำหนักลดลงแต่น้ำหนักอาจลดลงได้ทั้งสามปัจจัยก็เป็นได้ครับคุณผู้ฟัง ถ้าคุณตัดสินใจที่จะลองลดน้ำหนักด้วยการกินอาหารแบบคีโตจีนิกไดเอตนี้โปรโดจำไว้นะครับว่าคุณต้องคุณต้องพบการพบแพทย์นะครับต้องตรวจสอบปริมาณคาร์โบไฮเดรตและแคลอรี่เพื่อหาปริมาณที่สมดุลที่เหมาะสมกับตัวคุณด้วยนะครับและน้ำหนักคุณอาจจะมีความผัานผว น, นในช่วงนี้เมื่อคุณค้นพบระบบที่พอดีแล้วเติมเต็มด้วยห้องครัวของคุณด้วยอาหารคีโตที่ดีต่อสุขภาพและวางแผนเมื่ออาหารให้ดีเพื่อให้คุณมีน้ำหนักตามที่วางเป้าหมายไว้ คุยกับผู้ให้บริการสุขภาพของคุณด้วยนะครับหรือที่สำคัญคุณอาจจะต้องคุยกับนักพัฒนาการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่มีอาการที่กังวลที่กล่าวไปในการใช้วิธีการลดน้ำหนักแบบ คีโตจีนิกนี้นะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วยจากเวอร์ไวเว็บฮอเน็ตคอมนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะพักกันสักกู้นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันกับช่วงเมนูนักคิดนะครับวันนี้เมนูนักคิดนะครับผมมีเรื่องราวของไก่สามโรเคเคยูหนึ่งนะครับที่จะมาตอบโจทย์เทนอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่เป็นเก๋านะฮะหรือว่าคนรักสุขภาพสามารถทานไก่สามโรเคเคยูนี้ได้นะครับด้วยไก่สามโรจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงหน้าครับ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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบรุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเ อ, งเอกสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสามมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยมืออาชีพราคาย่อมเยาวปลอดภัยได้มาตรฐาน гаранти ่ด้วยคุณภาพกับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม วิทยายลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชโมงคลธัญญาบุรีศูนย์รางสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเ อ, งเอกติดต่อสับถามหรือปรึกษาฟรีโทษ 02-592-1999 ศูนย์มัตกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชโมงคลธัญญาบุรี เปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังท่านด้วยพื้นที่กว่าสองพันตารางเมตรในสไตล์การออกแบบรองรับการจัดกิจกรรมทั้งโซนอบรมสัมมนารองรับได้สิบถึงสองร้อยที่นั่งโซนห้องเรียนฝึกอาชีพโซนนิทรรศการสร้างสรรค์ไอเดียพร้อมพื้นที่โถงขนาดใหญ่ขนาดตั้งแต่สองร้อยแปดสิบถึงเจ็ดร้อยห้าสิบตารางเมตร รองรับโซนกิจกรรมและแคมเปญพิเศษนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งโปรเจคเตอร์จอทีวีขนาดใหญ่และไวไฟความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร0923189887หรือที่แฟนเพจ RMUTT Innovation and Knowledge Center ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังชั้น ฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงเมนูนักคิดกลับมากับช่วงนี้ครับกับเมนูนักคิดครับวันนี้เมนูนักคิดมีเรื่องราวของไก่สามโรเคเคยูเคเคยูหนึ่งนะฮะกับการตอบโจทย์เทนอาหารเพื่อสุขภาพคนรักสุขภาพรวมถึงคนเป็นเกาสามารถทานไก่สามโรนี้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับปัจจุบันนะครับมีผู้บริโภคที่มีมุมมองใหม่เกี่ยวกันเกี่ยวกับการรับประทานอาหารไม่ว่า แตไม่ได้เป็นเพียงสิ่งจำเป็นพื้นฐานของร่างกายเท่านั้นนะครับแต่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดสุขภาพนะครับเนื่องจากผู้บริโภคหลายประเทศกำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุการณบริโภคสารอาหารบางตัวมากเกินไปครับคุณผู้ฟังรวมถึงอาหารที่มีปริมาณฟีลรินสูงนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคเกาต์นะฮะและยังเป็นผลเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจตามมาอีกด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับจากความต้องการของผู้บริโภคที่เกล่าวมานั้นนะครับกลายเป็นโจทย์ให้ศาสตราจารย์ดรมนชัยดวงจินดาคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทีมวิจัยคิดค้นทางเลือกของผู้บริโภคอาหารสุขภาพและผู้ป่วยโรคเกาต์นะครับโดวยการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกอวอจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัทตะนาวศรีไก่ไทยจำกัดนะครับโดยศาสตราจารย์ดรมนชัยกล่าวนะครับว่าแนวคิดในการพัฒนาไก่สาย น, นี้ขึ้นมาเพื่อรองรับเทรนอาหารสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นและได้รับความนิยมอย่างมากจากทั่วโลกด้วยปัจจุบันนะครับผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้นเพราะว่าการรับประทานอาหารหรือว่าการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นเดียวกับอาหารที่มีปริมาณฟีลีนสูงนะครับอาจส่งผลต่อปริมาณยูริกในเลือดและควรเป็นโรคเกาต์ก็จะเป็น สาเหตุที่ตามมานะครับความกังวล น, นี้ทำให้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉพาะไก่นะครับจึงเป็นที่มาของงานวิจัยไก่สามโลนั่นก็คือโวลูริกโวลแฟตและก็โวลคอเลสเตอรอล น, นะครับซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์อาหารสุขภาพนะครับยกตัวอย่างอาหารประเภทไก่บนโต๊ะอาหารทั่วไปที่มีฟิวรีนปริมาณหกมิลลิกรัมต่อวันซึ่งเมื่อรับเข้าไปแล้วอาจจะย่อยสลายกลายเป็นกรดยูริกทำให้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยมีอาการเจ็บปวดตามข้อตา ม, มาจนเป็นสาเหตุให้ต้องงดอาหาร ให้งดการบริโภคอาหารจำพวกไก่ในที่สุดนะครับด้วยปัจจุบันครับคุณผู้ฟังศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็สามารถผลิตลูกไก่จำหน่ายให้กับเกษตรก ร, ร, กรในพื้นที่นะครับโดวยมีประชารัฐจังหวัดดำเนินการเรื่องของการรับซื้อและทำตลาดให้นะครับทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นทางศูนย์เตรียมผลิตลูกไก่จำนวนเพิ่มขึ้นและหวังให้ ไก่ KKU หนึ่งนี้เป็นของดีของเมือนข้อนแก่นเช่นเดียวกับไก่เขาส่วนกว่างนะครับด้วยขณะ น, นี้มหาวิทยาลัยข้อนแก่นยังไม่มีการขายสิทธิบัตรใดๆนะครับแต่ว่าสร้างความร่วมมือเชิงวัธีการกับหน่วยงานที่อยากเกิด อาชีพให้กับชุมชนได้แก่บริษัทประชารัฐสามัคคีขอนแก่นจำกัดที่จะส่งเสริมเกษตรก ร, ะเศษกรณในเขื่อนข่ายโดวยรับซื้อไก่ทั้งหมดและส่งต่อให้กับซับプライเชนเพื่อแปรรูปนะครับนอกจากนี้ยังร่วมมือกับร้านอาหารตำม่วงในเขื่อนเซนทัานเพื่อสร้างเมนูไก่ริมโขงนะครับซึ่งเป็นเมนูต้มไก่บ้านจากไกยูริกตำด้วยการแปรรูปชำแหละและต้องทำผลิตมาตรฐานเพื่อส่งไปอย่างร้านค้าที่ต้องการทำเมนูอย่างเช่นโรงแรมนะฮะ ผู้ประกอบการร้านค้าจังหวัดขอนแก่นและมูเดิลเทรดต่างๆนะครับอย่างเช่นฟู้ดแลนด์ก็ได้มีการเจราจากับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อนำไก่อยู่ลิกต่ำนี้เข้าจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับโดวยปัจจุบันครับคุณผู้ฟังกำลังผลิตเพียง 2,000 ตัวต่อสัปดาห์ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่ต้องการซื้อเนื้อไก่ถึง 20,000 ตัวต่อสัปดาห์ด้วยเหตุนี้จำนวนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่จึงมีไม่เพียงพอนะครับเพราะไก่สายพันธุ์น ฟักไข่ได้เพียงหนึ่งฟองต่อวันนะครับทั้งนี้นะครับคุณฟังหากเกษตรก ร, กรท่านไหนสนใจเลี้ยงไกยูลิกต่ำก็สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ไก่พื้นเมืองมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสร้างโชว์ห่วยนะครับคิดเมนูใหม่เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนพร้อมกับช่วยบริหารไม่ให้แข่งขันกันเองช่วยกันสร้างตลาดใหม่ๆนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ ได้รับงบสนับสนุนจากทางรัฐบาลนะครับพร้อมกับทำแพ็กเกจอาหารเสเวอร์บรูตส่งออกญี่ปุ่นนะครับคุณสมบัติของไกยูริกนอกเหนือจากนี้ยังมีเอ็นซีรีนนะฮะซึ่งเป็นสารสำคัญในการสร้างสมดุลของกรดเล็กติกที่คนออกกำลังกายเนี่ยทำให้ไม่เหนื่อยง่ายไม่ล้าไม่สะสมกรดในกล้ามเนื้อมากต่างจากเนื้อวัวแทบไม่มีเอ็นซีรีนเลยนะครับคุณฟังท่านไหนสนใจกับไก่สายพันนี้ก็สามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรศรัพท์089 หนึ่งเก้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งได้นะครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สี่สามสามสี่สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์สี่สามสามสี่สองสี่ศูนย์เจ็ดนะครับติดต่อไปได้กับไก่สายพันธุ์นี้ KKY1 นะครับกับไก่สายพันธุ์ใหม่ในการตอบโจทย์นะฮะคนที่รักสุขภาพรวมถึงคนที่เป็นเกาสามารถรับประทานไก่สายพันธุ์นี้ได้ติดต่อไปได้นะครับคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคุยข้างครัวกับอาจารย์นัชรัตน์เพ็ญกุลครับ ฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรีไลน์ออฟฟิเชียลอาร์เอ็มยูทีทีพร้อมให้บริการข่าวสารกับทุกท่านแล้วค่ะโดยคลิกที่แอปพลิเคชันไลน์แล้วพิมพ์แอดอาร์เอ็มยูทีทีจากนั้นกดเพิ่มเพื่อน เพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งกับบ้านราชมงคลธั ญ, ญาบุรีแล้วค่ะไลน์ออฟฟิเชียล RMUTT ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์แห่งใหม่ของคนทุกวัยไลน์พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่าหนึ่งร้อยสายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่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 ฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงกุยข้างครัว สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนัชรัตน์แพรกุลในช่วงคุยข้างขวดนะครับคุณผู้ฟังครับร่างกายของคนเราในนั้นถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดนะครับไม่ว่าจะเต็มไปด้วยคนกลไกต่างๆที่สลับซับซ้อนมากนะฮะที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อใดรับสารอาหารอย่างครบถ้วนนะฮะแต่ที่น่าเสียดายทุกวันนี้นะครับคนเรานั้นเริ่มรับประทานอาหารแปรรูปการเสีย ส, ส่วนใหญ่นะฮะอาหารเหล่านี้เองนะฮะมักมาพร้อมกับ สารปรุงแต่งต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดสารเติมแต่งกลิ่นรสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำตาลที่มีมากเกินความจำเป็นนะฮะทำให้ร่างกายนั้นเกิดความอ่อนล้าเกิดภาวะการเครียดนะฮะเพราะต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะย่อยอาหารเหล่านั้นนะฮะจึงเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิด โรคมะเร็งมากขึ้นยิ่งไปมากกว่านั้นนะฮะอาหารจำพวกนี้ได้รับการโฆษณาอย่างหนักน ะ, ะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนเราน ะ, ะที่จะบริโภคกันโดยไม่คิดถึงอันตรายที่แฝงมาด้วยนะฮะบางครั้งนะฮะแม้แต่วิธีการที่เราเตรียมอาหารก็ทำให้เรานั้นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากขึ้นน ะ, ะดังนั้นนะฮะวันนี้น ะ, ะลองมาฟังกันสิว่า การรับประทานอาหารหรือประกอบอาหารอย่างใดนะที่สามารถจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้มากขึ้นนะครับ อันดับหนึ่งนะฮะการทำเนื้อแดงยากนะครับแพทย์และนักโภชนาการนะฮะแนะนำว่าเราควรจำกัดปริมาณบริโภคเนื้อแดงให้ไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลงได้นะฮะหากคุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือเลี่ยงการรับทานเนื้อแดง ได้ทีกว่านั้นนะฮะอย่างน้อยก็ควรหลีกเลี่ยงการย่างด้วยเตาถ่านแม้ว่าจะอร่อยแค่ไหนก็ตามเพราะการปรุงอาหารที่อุณหภูมิสูงจะผลิตอาคารามัยนะฮะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในวงการแพทย์นั้นรู้จักเป็นอย่างดีนะฮะการย่างเนื้อบนตะแกรงไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือไม้ก็จะทำให้สารดังกล่าวนั้นติด ปนมาด้วยนะฮะซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพดังนั้นเราควรลดการบริโภคสัตว์เนื้อแดงหรือเลือกอาหารกลุ่มของอาหารออแกนิกแทนนั่นเองนะครับลำดับต่อมานะฮะก็คือน้ำอัดลมนะครับเป็นที่รู้จักกันดีนะฮะว่าน้ำอัดลมนั้นมีปริมาณของน้ำตาลที่สูงซึ่งน้ำตาลเหล่านี้เองนะฮะมาในรูปแบบของน้ำเชื่อมคาร์กโบไฮเดรตสนะฮะซึ่งทำให้ระบบการย่อยอาหารของเรานั้น ทำงานมากขึ้นนะฮะน้ำอารมณ์เพียงหนึ่งควรนะฮะก็ให้น้ำตาลมากเกินพอที่ร่างกายจะต้องการทั้งวันนะฮะดังนั้นการดื่ม น, น้ำอารมณ์จะช่วยทำให้ระดับของน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมีในัยะสำคัญแต่ไม่ทำให้อิ่มดังนั้นนะฮะเราจะรู้สึกอยากอาหารและ ต้องการอาหารมากขึ้นโดยที่ไม่รัวตัวนะฮะนอกจากนี้บัลดาโคล่าสีต่างๆนะฮะซึ่งยังเป็นสารของพวกกรดมะเร็งเข้าไปอีกด้วยดังนั้นนะฮะหากคุณอยู่ในภาวะที่ต้องการดื่มน้ำตาลม า, มากๆให้เรื่องในส่วนของที่เป็นน้ำผลไม้แทนน้ำอัดลมจรึงจะดีกว่า น, นะครับและลำดับต่อมานะฮะกลุ่มของอาหารกระป๋องโดยเฉพาะมะเขือเทศนะครับ สิ่งที่มาคู่กับอาหารกระป๋องก็คือปริมาณเกลือมหาศาลและน้ำตาลในน้ำเชื่อมของผลไม้กระป๋องนะฮะตัวกระป๋องเองนะฮะยังมีสารเคมีที่เรียกว่า BPA นะฮะซึ่งเข้าไปอยู่ในอาหารที่สัมผัสกับมันนะฮะสารเคมีนี้เป็นตัวขัดขวางฮอร์โมน และมีความเชื่อมโยงต่อการเกิดโรคเมะเร็งได้อีกด้วยนะและที่สำคัญนะฮะอาหารที่เป็นกรดตามธรรมชาติอย่างซอสมะเขือเทศจะทำให้ BPA ถูก สกัดออกมามากขึ้นนะครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงโดยการรับประทานผักผลไม้โสดหรือมองอาหารกระป๋องที่มีโซเดียมต่ำและก็ไม่มีสารในกลุ่มของพวก BPA ในบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับอาหารลำดับต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าวโพดคั่วไมโครเวฟนะฮะโดยทั่วไปแล้วเข้าวโพดคั่วนะเป็นอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพนะครับแต่ปัญหาก็คือข้าวโพดคั่วด้วยไมโครเวฟ ที่เตรียมไว้ในถุงไมโครเวฟเพราะการปรุงรสที่ใช้เนยนะฮะที่มีเดนอสซิตี้ที่เป็นพิษนะครับตัวถุงก็ยังมีเยื่อบุสารเคมีที่เรียกว่า P F ซึ่งเป็นสารหนึ่งใน ก, นกนารกอบมะเร็งนะฮะนอกจากนี้นะฮะเรายังไม่มีทางรู้ว่าข้าวโพดในถุงที่อยู่นั้นนะฮะปลูกด้วยวิธีไหนเนื่องจากผู้ปลูกไม่จำเป็นต้องรายงานนะถ้าคุณติดนิสัยการบริโภคขนมขนาดดูหนังฮะลองเปลี่ยนมาเป็นขนมขบเคี้ยวอื่นๆนะฮะอาจจะดีกว่าข้าวโพดคั่วไมโครเวฟนั่นเองนะครับ ต่อมานะฮะน้ำมันเติมไฮโดรเจนนะฮะเมื่อไม่สามารถสกัดน้ำมันจากแหล่งกำเนิดธรรมชาติได้ตามความต้องการของตลาดนะฮะน้ำมันจะถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีที่เติมไฮโดรเจนเข้าไปนะฮะตัวอย่างหนึ่งคือน้ำมันพืชที่ไม่เพียงผ่านกระบวนการทางเคมีแต่ยังถูกเติมสีกลิ่นนะฮะถึงแม้จะได้สินค้าที่ดูที่ดี น่าใช่นะแต่ที่จริงแล้วนะฮะภายในเต็มไปด้วยกรดโอเมก้าหกที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นที่น่าเสียดายที่สินค้าอบและทอดส่วนใหญ่รวมถึงขนมขึ้นเคี้ยวนะฮะมักจะมีการเติมไฮโดรเจนลงไปนะฮะทางที่ดีแล้วควรเลือกที่จะใช้น้ำมันที่สกัดจากธรรมชาติเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันถั่วเหลืองสำทำอาหารและหยุด ซื้อคุกกี้เค้กจากร้านอาหารโดยทั่วไปที่มักจะมาใช้แหล่งของน้ำมันหรือไขมันที่มีการเติมไนโตรเจนนั่นเองนะครับต่อมานะฮะกลุ่มของสารให้ความหวานนะฮะหลายคนใช้สารให้ทำความหวานฉีใช้แทนน้ำตาลนะฮะแต่จริงจริงแล้วนะ อันตรายไม่แพ้กันนะฮะอย่างแรกคือร่างกายไม่สามารถที่จะรับรู้การบริโภคแคลอรี่ต่อวันได้อย่างถูกต้องและทำให้ร่างกายนั้นมีความต้องการความหวานหรืออยากหวานมากขึ้นน ะ, ะเช่นแอสปาร์ตามนั้นยิ่งแย่ที่สุดในบรรดาสารก่อ มะเร็งที่อยู่สารให้ความหวานแต่ตัวอื่นก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่นะฮะสารเหล่านี้เองนะฮะจะแบ่งตัวเป็นพิษที่รู้จักกันก็คือ DKP ระหว่างถูกย่อยนะฮะด้วยเหตุนี้สารให้ความหวานจึงมีความเชื่อมโยงต่อการเกิดเนื้อ ง, งอกในสมองถ้าคุณชื่นชอบการรับประทานอาหารหวานจริงๆนะให้เลือกในกลุ่มของย่าหวานหรือไม่ก็ใช้น้ำตาลธรรมดาแต่ควรที่จำกัดปริมาณการได้รับต่อวัน จึงดีที่สุดอีกนั่นเองนะครับ ลำดับต่อมานะฮะแซลมอนน ะ, ะที่มาจากฟาร์มเลี้ยงนะหลายคนควรจะสงสัยเฮ้ยการเรารับประทานแซลมอนนั้นไม่ดีอย่างไรซึ่งในแซลมอนนั้นก็จะมีกรดโอเมก้าหรือโปรตีนที่สมบูรณ์นะฮะแต่สำหรับโดวยทั่วไปแล้วแซลมอนที่มีโปรตีนดีต่อสุขภาพทำให้เป็นที่นิยมแต่ปลาแซลมอนที่จับได้ตามธรรมชาตินั้นจริงๆนั้นค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะฮะซึ่งแซลมอนส่วนใหญ่นั้นที่พบในร้านทุกวันนี้มาจากฟาร์มเลี้ยงที่ มีการแซกแซงกันทำให้ซัลม่อนมีการจะดันตับโตจากมนุษย์ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงซัลม่อนฟารมตัวมาด้วยอาหารที่ผิดธรรมชาติได้รับยากลุ่มของยาปฏิชิวนะ่ะซึ่งปลาเหล่านี้เองถูกเลี้ยงในสภาพที่แอาอาจยังเกิดความเคียดทำให้ มีสารไดออกซินทึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนะฮะสารพีซีบีและปะลอดอีกทั้งยังมีไขมันมากนะฮะหากคุณชื่นชอบการรับประทานปลาแซลมอนหรือต้องการรับประทานน้ำมันปลานะฮะแนะนำให้รับประทานปลาแซลมอนที่ได้จากธรรมชาติหรือน้ำมันปลาบริสุทธิ์นั่นเองนะครับต่อมานะฮะกลุ่มของผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะฮะกเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูก เพื่อการค้ามักจะใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณมากนะเพื่อตอกกอนต่อสตรูพืชนะะกลุ่มยากำจัดสตรูพืชนะะและก็กลุ่มของยาที่กำจัดแมลงต่างๆน ะ, ะมีสารที่สามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งให้กับผู้บริโภควิธีการทำเกษตรอินทรีย์นะจึงปลอดภัยมากกว่าและมีราคาสูงจึงไม่ได้รับความ นิยมนะฮะเท่ากับการใช้ยานะคุณควรล้างผักผลไม้อย่างระมัดระวังนะฮะก่อนการรับประทานหรือเลือกซื้อผักออร์แกนิกรับประทานจรึงจะปลอดภัยนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแป้งสาลีขัดสีนะฮะ โดยปกติแล้วนะธั ญ, ญพืชจัดเป็นอาหารที่เป็นมิตรต่อร่างกายแต่เมื่อผ่านกระบวนการขัดสีวิตามินจะถูกแยกออกนะฮะและถูกขัดด้วยการ์ต์คอรีนเพื่อทำให้เป็นสีขาวนะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยพิษและคาร์โบไฮเดรตบริสุทธิ์นะฮะรอที่จะแตกตัวเป็นน้ำตาลเมื่อเข้าสู่ร่างกายทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นแขวนขึ้นลงอย่างผิดปกตินะฮะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งด้วยการ สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเติบโตวของเซลมะเร็งนะฮะและเป็นที่หน่าเสียดายที่อาหารอบในเบเกอรี่สูญใหญ่ทำจากแป้งขาวนะคุณอาจจะต้องทำอาหารอบเองที่บ้านหรือเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่ทำจากแป้งที่ไม่สขัดสีจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมมากที่สุดอีกเช่นเดียวกันครับต่อไปนะฮะในกลุ่มของเนื้อสัตว์แปรรูปนะฮะการแปรรูปเนื้อสัตว์ทั้งก่อนและ ระหว่างกระบวนการการทำอาหารมักจะส่งผลต่อสุขภาพได้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นปริพันธ์เช่นไส้กรอกเนื้อ เดลี่เบคอนฮอทดอกนะฮะล้วนมีเกลือและสารเคมีที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเทรดในไตร์นะฮะกระบวนการเหล่านี้เองนะทำให้อาหารนั้นดูหน้าตาหน้ารับทานมากขึ้นและทำให้อาหารอยู่ได้นานมากขึ้นนะฮะแต่สารอาหารและประโยชน์ของกลุ่มของเนื้อสัตว์เองนั้น จะลดน้อยลงกอ่อให้เกิดโทษแทนแม้เนื้อลมพันเองตามธรรมชาติก็ใช้น้ำมันดินซึ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายนะฮะการกินเนื้อสัตว์ทุกวันจึงเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นไปได้ให้ซื้อเนื้อสดจากคุณขายในแหล่งที่ปลอดภยัยและนำมาประกอบเองจึงจะเป็นหนทางที่ปลอดภัยอีกเช่นเดียวกันนะฮะลำดับต่อมานะครับ มันฝรั่งทอดนะฮะมันฝรั่งทอดนะฮะหรือมันฝรั่งดีต่อสุขภาพเมื่ออบหรือเมื่อรับประทานแบบสุกแบบต้มหรือนึ่งนะฮะซึ่งให้คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายต้องการแต่ในทางกลับกันเมื่อนำมันฝรั่งนะฮะมาทอดนะฮะจึงเป็นอันตรายต่อทุกคนนะฮะหลังจากที่ทอดมันฝรั่งในไขมันทานจะเคลือบด้วยเกลือและยังมีสีเทียมะสารกัมโบสารเคมีที่รวมอยู่ในมันฝรั่งแต่ละถุงนะฮะ สามเติมแต่งเหล่านี้เองนะฮะส่งผลกระทบต่อหัวใจและการไหลเวียนนะฮะมันฝรั่งทอดจะมีอะคาริมายน ะ, ะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหากคุณรับประทานของว่างนะฮะจากกลุ่มพวกนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกันครับลำดับต่อมานะฮะ กลุ่มอาหาร GMO นะฮะอาหาร GMO นะฮะเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะฮะแม้ว่างานวิจัยต่างๆยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะงานวิจัยบางส่วนรายงานถึงผลกระทบเชิงลบของพืช GMO ว่าพบการเจริญเติบโตของเซลล์กล่องมะเร็งในระยะเวลาสั้นๆนะฮะของการบริโภคอาหาร GMO ในขนาดที่บริษัท เกษตรส่วนใหญ่ยังชอบพืชที่ทำจาก GMO เพราะว่ามีความต้านทานต่อสตูพืชนะะฮะและง่ายต่อการขนส่งเพราะอยู่ได้นานมากกว่านะฮะแต่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาจไม่คุ้มค่าเท่าไหรนักนะฮะสำหรับผู้ที่บริโภคอย่างเราเรานะฮะให้หาซื้อผลิตภัณฑ์อินซีหรือเนื้อสดผักผลไม้สดที่มีใบกำกับว่าไม่ได้ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรมจึงเป็นทาง เลือกที่เหมาะสมดีที่สุดอีกเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมานะฮะแอลกอฮอล์นะฮะจากการศึกษาพบว่าการดื่มแอลกะหอฮอล์มากเกินไปทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะฮะปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายก็คือหนึ่งแก้วต่อวันสำหรับผู้หญิงและสองแก้วต่อวันสำหรับผู้ชายแต่จริงแล้วนะฮะควรหลีกเลี่ยงไปดีที่สุดนะฮะจากการศึกษาพบว่าการดื่มปริมาณมากเกินความจำเป็นนะฮะที่แนะนำจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งปาก มะเร็งหลอกอาหารและมะเร็งทวารหนักนั่นเองนะครับหากคุณไม่สามารถเลิกได้นะครับเพียงแค่หลีกเลี่ยงการดื่มเมื่อคุณเครียดหรือเบื่ออาหารแทนนะฮะตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการใช้วายแดงแทนนะจึงช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งได้นั่นเองครับ ต่อมา น, ะะน้ำตาลบริสุทธินะะ์น้ำตาลที่อันตรายที่สุดคือบรรดา น, น้ำตาลที่ทำเป็นน้ำเชื่อมฟรุกโตสสูงแต่กลับกั น, นะะเป็นสิ่งที่พบได้ในอาหารแปรรูปะะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆะะเซลล์มะเร็งมักเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในกลุ่มของอาหารที่มีน้ำตาลสูงะะเช่นน้ำตาลฟรุกโตสยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นเพราะร่างกายดูดซึมได้ยากะะจึงต้อง ถูกส่งไปตำร้ายที่ตับนะทำให้ตับมีไขมันสะสมมากและอัดก่อเกิดโรคมะเร็งตับแม้จะไม่ได้ดื่มแอลกะหอฮอล์ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับนะคุณควรอัญชะลักอย่างระมัดระหวังเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารที่มีน้ำตาลมากมากนะฮะและหันมาใช้น้ำตาลผลไม้แทนจึงเป็นวิธีที่ดีอีกเช่นเดียวกันนะฮะกลุ่มต่อมานะครับเนยเทียมนะฮะแรกเริ่ม เดิมทีเดียวนะฮะเนยเทียมถูกสร้างมาเพื่อเป็นทางเลือกในการที่จะสะดวกและเก็บรักษาได้นานกว่าเนยธรรมชาตินะฮะแต่มีการค้นพบภายหลังว่าเนยเทียมนั้นมีอันตรายมากกว่าไขมันทรานนะฮะเพิ่มโอกาสเกี่ยวกับการเป็นมะเร็งได้มากกว่าโรคอื่นๆนะฮะในขั้นตอนการผลิตนะฮะจากน้ำมันพืชที่ได้รับความร้อนสูงนะฮะ จะผลิตสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเนยเทียมหรือเนยแท้ก็ควรบริโภคแต่น้อยนะเพื่อหลีกเลี่ยงสารเหล่านี้ที่เป็นกลุ่มของไขมันอิ่มตัวอีกสารกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับแต่อย่างอื่นอย่างใดนะฮะการรับประทานอาหารนะฮะควรเลือกอาหารที่ทำมาจากธรรมชาตินะฮะมีการ เติมแต่งไม่ว่าจะเป็นกลิ่นลดสีสารสังเคราะห์ต่างๆน้อยลงนะฮะแล้วเลือกรับประทานผักผลไม้ที่มีความสดสะอาดและก็เป็นผักผลไม้ที่มาจากเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกก็จะเป็นหนทางที่เหมาะสมมากที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดโรคเมะเร็งนั่นเองนะครับพักเบรกกันสักครู่นะฮะกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงเปิดหม้อนะครับ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 มองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยทีมงานมืออาชีพราคาย่อมเยาว์ปลอดภัยได้มาตระฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย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 และสาขาที่สองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสามฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วงเปิดหม้อ กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับกับช่วงเปิดมอห์นะฮะวันนี้ก็มีเมนูสำหรับคนที่รักสุขภาพนะฮะรับวประทานง่ายและก็อร่อยด้วยกับเมนูที่ชื่อว่าน้ำพลิกเห็ดนะฮะก็จะมีส่วนประกอบก็คือเห็ดชิเมจินะฮะหอมแดงพริกขี้หนูต้นหอมผักชีน้ำปลาน้ำมะนาว น้ำตาลแล้วก็เกลือป่นนะครับวิธีการทำนะฮะก็นำเห็ดมาล้างให้สะอาดนะฮะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะหรือหั่นก็ได้นะฮะพักไว้นะฮะเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของการปอกเปลือกของหอมนะฮะเด็ดพิฆนุล้างให้สะอาดน ะ, ะนำไปคั่วในกระทะนะฮะนำเห็ดนะฮะขึ้นไป คั่วในกระทะนะฮะเสร็จแล้วก็ผักไว้แล้วก็คั่วต่อด้วยหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูนะฮะจากนั้นนะฮะนำทุกอย่างคลุกเข้าด้วยกันนะครับแบบหยาบหยาบนะเสร็จแล้วนะฮะเราก็ปรุงรส ด, ด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลเกลือป่นเล็กน้อยนะฮะจากนั้นก็ใส่ต้นหอมซอยเล็กน้อยผักชีซอยเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานปลาร้านะสามารถ ใส่น้ำประลาร้าได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็รับประทานคู่กับเข้าวสวยหรือเข้าวเหนียวร้อนๆก็เข้ากันอร่อยดีนะครับวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนกับเมนูน้ำพริกเห็ดเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทาง fm แปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรี